ดังที่เรียกว่าการมคุณบ้างการมะคุณอารมณ์บ้างที่ครองใจสั ต, ตว์ตวโลกทั้งหลายอยู่กันอยู่โดยทั่วไปและเมื่อกล่าวดังนี้จึงล่วงเข้ามาถึงมายาของจิตใจก็คือ ตัวอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นความจริงโมหะคือความหลงซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานอันทำให้สัตว์โลกนี้ หลงรักบ้างหลงชังบ้างกลายเป็นกิเลสสามกองขึ้นมาคือเป็นราคะความติดใจยินดีหรือโลภความโลภอยากได้กองหนึ่ง โสดาความโกรธแค้นขัดเคืองกองหนึ่งโมหะความหลงมีกองหนึ่งอ่อันที่จริงนั้นความหลงลมมีอยู่เป็นพื้นฐานอันสืบมาจากอาวิชชาดังกล่าวแต่ก็อาจแยกได้เป็นสามกองเหมือนกันโดยที่ เวทนาคือการสวยอารมณ์ของบุคคลคือของจัตตวโลกนั้นย่มปรากฏเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเมื่อได้ประสบอารมณ์ที่นารักใครประถนาพอใจ ก็ทำให้ได้สวยสุขได้ประสบสุขเป็นสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภเมื่อประสบอารมณ์อัน ไม่ปรารถนาพอใจก็เป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองเมื่อเพิดอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่พอที่จะให้รู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจก็และไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสัจจะคือความจริง ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับก็เป็นทิ่ตังของโมหะคือความหลงคือแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางๆดังนั้นก็ตามแต่ก็ยังสยบติดอยู่ไม่รู้ไม่พ้นไปได้ ฉะนั้นจึงอาจจำแนกกิเลตออกเป็นสามกองได้ดังนี้และกิเลต ท, ทุกทุกองนั้นก็กล่าวได้ว่าเมื่อบังเกิดขึ้นก็ล้วนทำให้จิตใจนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายต่างๆไปในอารมณ์เหล่านั้น อาการที่จิตดิ้นรนกัดแกรันสระกระาต่างๆนั้นคือตัณหาที่แปลกันว่าความดิ้นรนของจิตใจหรือแปลว่าความทยานยากซึ่งในความหมายนั้น ไม่ใช่หมายถึงว่าอยากที่เป็นราคะความติดใจยินดีหรือโลภะโลภอยากได้อย่างเดียวแต่หมายถึงทุกอย่างเพราะว่าเมื่อสวยหรือประสบสุข จิตก็ดินดน่นรนกวัดแกว่งประสับกระสายไปในสุขเมื่อเสวยหรือประสบทุกข์จิตก็ดิ่นรนกระสับกระสายกวัดแกว่ง ไ, ไปในทุกข์เมื่อประสบหรือเสวยอารมณ์ที่เป็นกลางๆจิต ก, ดนดนก็ดิ่นรนควกว่งกระสับกระสายไปในอารมณ์ที่เป็นกลางๆนั้น หรือว่าติดอยู่ไม่พรากออกและก็ไม่จะอยู่เฉยๆด้วยดังที่ปรากฏว่าคิดไปต่างๆปรุงไปต่างๆอาการที่จิตคิดไปต่างๆ รงแต่งไปต่างๆในอารมณ์นี่แหละเป็นตัวตัญหาที่มีอยู่เป็นประจำดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกระยกเอาตัญหาขึ้นมาแสดงอีกอย่างหนึ่งและทรงแสดง ยกขึ้นเป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าตัณหานี้ยังมีครอบไปในจิตทั้งปวงที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนับตั้งแต่อ ว, วิชชาลงมาจนถึงกองโลบ หรือกองราคะกองโทสะกองโมหะดังกล่าวนั้นจิตย่อมมีความดิ้นรนกัดแก่นกระสับกระส่ายเพราะความผูกพันเพราะความติดปรากฏและตัณหานี้เอง ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความผูกพันความติดด้วยความติดของผูกพันก็สนับสนุนให้เกิดตันหาด้วยเพิ่มตันหาด้วยเพราะฉะนั้นหากว่าจะเรียกแยกเป็นตันหาเป็นอุปาทานความดินดน้นรนความยึดถือ ก็ได้รวมกันเข้าก็ได้เมื่อยกขึ้นมาข้อเดียวก็ต้องแปลว่ามีทั้งสองข้อรวมกันอยู่ในจิตเหล่านี้ล้วนเป็นมายาของจิตใจทั้งนั้นที่สัตวโลกตกอยู่ในอำนาจของ มายาดังกล่าวและมายาทางจิตใจนี้ก็สืบมาจากมายาของร่างกายของประสาททางร่างกายดังกล่าวมาข้างตน้นมายาของประสาททางร่างกาย ก็เป็นเครื่องให้เกิดมายาทาง จ, จิตใจเพิ่มมายาทาง จ, จิตใจเป็นอันว่าทั้งสองนี้ประกอบอยู่ด้วยกันเพราะเหตุที่ว่าสัตวโลกนั้นยังมีอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงดังกล่าวนี้ เหตุสคัญจึงมีโมหะคือความหลงติดอยู่เพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นความคิดของจิตของสัตวโลกจึงเป็นไปตามอำนาจแห่งมายา ของโลกมายาของจิตใจดังกล่าวไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้คิดตามสัจจะที่เป็นตัวความจริงะฉะนั้นจึงเท่ากับไม่รู้เท่ากับ หลับไม่ตื่นบางทีก็หลับสนิทไม่ฝันบางทีก็หลับฝันแต่สิ่งที่ฝันเห็นนั้นก็ไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงเป็นความฝันนี่หมายถึงว่าการหลับการฝัน ที่เป็นธรรมดาของบุคคลคือบุคคลเมื่อหลับหลับไม่ฝันก็ไม่รู้อะไรเมื่อฝันก็รู้รู้ในความฝันแต่นั่นก็เป็นฝันไม่ใช่เป็นความจริงเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งที่ฝันนั้นก็หายหมดตื่นขึ้นมาแล้วจึงรู้ว่านั่นฝันไป และสิ่งที่ปรากฏในความฝันนั้นก็ไม่มีจริงเป็นความฝันทั้งสิ้นแต่ว่าจะมารู้ได้ในเมื่อตื่นขึ้นมาในขณะที่กำลับกาลังหลับอยู่นั้นหารู้ว่าฝันไหมคิดว่าจริงในความฝันตื่นขึ้นมาจึงรู้ ทันใดก็ดีสัตว์มาโลกเรานี่เมื่อตกอยู่ในอำนาจของมายาโลกมายาจิตใจดังกล่าวนั้นจึงเหมือนยังหลับกำลังหลับอยู่และบางทีก็หลับฝันก็ปรากฏในความฝัน ว่ารูกบังเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้งางผลประภะบังตีประสบพบผ่านน่าปรัถนาพอใจบ้างไม่น่าปรัสนาพอใจบ้างแล้วก็ขนไควยแสวงหาบริโภคกันต่างๆก็มีความสุขบ้างความทุกข์บ้างแต่ว่าสุขนั้นน้อยทุกมากที่ประสบกันอยู่ เหล่านี้เหมือนยังกำลังฝันอยู่ทั้งนั้นเป็นความฝันทั้งตื่นโดยอำนาจของอวิชชาโมหะที่คลองใจถึงตกอยู่ในอำนาจของมายาโลกมายาของจิตใจเพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่าจัตวโลกต่างพากันดีใจบ้างเสียใจบ้างในอารมณ์โลกทั้งหลายต่างมีความยึดถืออารมณ์โลกทั้งหลายวันนั่น น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของของเราและครั้นเมื่ออารมณ์โลกเหล่านั้นแปรเปลี่ยนแปลงไปจึงได้เกิดโศกะความแห้งใจปฏิเทวะความครุวมคลา่งโกรนใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจความรับแค้นใจต่างๆไฟคว้าในสิ่งที่ปรารถนาต้องการผักใสไปในสิ่งที่ไม่ปรารถนาต้องการและเมื่อไฟคว้าได้บ้างก็โหรเลาะชอบใจ สบายใจเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์โทมนัดคิดจะผลักออกไปในสิ่งที่ไม่ชอบผลักออกไปได้ก็ดีใจผลักไ ป, ไปไม่ได้ก็เสียใจต้องโหนเลาบ้างต้องร้องไห้กันอยู่บ้างเป็นไปกันอยู่ดังนี้ในความฝันทางนั้น เพเหตุที่ยังไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงจิตยังยังมีอวิชชายังมีโมหะครอบครองอยู่จึงเป็นไปดังนี้ก็เหมือนย่งว่าหลับไปหยุดทั้งหมดฝันกันหยุดทั้งหมดพระพุทธเจ้า ท่านในแต่สรู้ในสัจจะคือความจริงทรงรู้จากทุกว่าสิ่งทั้งหมดที่เป็นมายาโลกเป็นอารมณ์โลกทั้งโปวงนั่นเป็นตัวทุก ค, คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับที่แสดงโดยบุคคลก็คือว่าต้องเกิดแก่เจ็บตาย ต้องประโจบต้องพลัดพรากปรารถนาไม่ได้สมหวังรวมเข้ากับเป็นขันธโลกโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องตายต้องเจ็บต้องประโจบต้องพลัดพรากต้องปรารถนาไม่ได้สมหวังรวมเข้าก็คือต้องเกิดต้องดับ เป็นตัวทุกข์คือเป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดก็ดับไปทีเดียวแต่ว่ามีเกิดขึ้นใหม่สืบเรื่องกันไม่ขาดสายทำให้เหมือนยังว่าเกิดอยู่เรื่อยไม่ดับ แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกคือเกิดดับนี้เป็นปัจจุบันคู่กันไปเกิดดับเกิดดับจนถึงเห็นดับนำหน้าเห็นอะไรทุกอย่างที่มาทางตาก็ดีทางหูก็ดีเป็นต้น เป็นความดับนําหน้าอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทรงรู้จักสมุทัยเหตุในเกิดทุกข์คือตัณหาดังกล่าวทรงรู้จักในร้อยความดับทุคือดับตัณหาทรงรู้จักมัทที่มีองค์แปดมีสมาธิความเห็นชอบเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดรวมเข้า ก็เป็นองค์ประกอบที่ให้เกิดยานคือความอย่างรู้ในสัสจจะที่ไปดูความจริงกําจัดอวิชชาโมห oh ะในจิตใจได้หมดสิน้นจึงทรงตื่นขึ้นทันทีรู้สิ่งทั้งหมดในโลกนี้ ที่เป็นมายาโลกเป็นอารมณ์โลกว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลงถือผิดอยู่ในอารมณ์โลกทั้งหลายไม่ยึดถือว่านั้นงามนั้นไม่งาม ที่เป็นที่ตั้งของชอบหรือชังกับกรองกรองก็คือว่าไม่ยึดถือว่านั่นเราชอบนั่นเราไม่ชอบนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราไม่มีความยึดถือทั้งหมด พระพุทธเจ้าทรงตื่นขึ้นมาด้วยพระองค์เองดังนี้ทรงเห็นสัจจะคือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดโดยรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกรู้จักความดับทุกรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกด้วยประการทั้งปวงอวิชชาดับโมหะดับวิชา บังเกิดขึ้นมุิความหุดพ้นบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้ตื่นขึ้นในโลกตื่นจากอวิชชาโมหะทรงรู้จักโลกตามความจริงไม่ยึดถือโลกว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ก่อนที่จะทรงเตินขึ้นในความรู้ดังนี้ก็ยังทรงหลับอยู่แล้วก็ฝันเห็นก็เหมือนชาวโลกทั้งหลายที่เหมือนอย่างหลับฝันเห็นและยึดถือกันอยู่แต่ท่านทรงดับอวิชชาโมหะได้ด้วยปัญญาที่เป็นสัมโพธิญาณ ยังได้ทรงเห็นสัจจะคือความจริงทั้งหมดเหมือนอย่างตื่นขึ้นมาก็เห็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วเป็นความหลับฝันไปทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงอันใดจึงทรงเป็นผู้ตื่นขึ้นทรงพ้นจากอำนาจโลกอำนาจมายาของโลกอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระ นี่คือพุโทโธผู้ตื่นตรงตื่นขึ้นจริงๆแล้วก็ตรัสสอนให้เราทั้งหลายเป็นภูที่ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ตื่นขึ้นดังนี้เมื่อเป็นจี น, นี้จึงจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้จริงๆพุโทโธพ้นทุกข์ได้จริงๆ ต่อจากนี้ก็ขอให้ทำควาสมสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆุกท่านตั้งใจ นอบน้อมนมันสการประภูมิประภาคอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงประพุทธคุณบทว่าพุทธโธนำในความหมายว่าภูเบกบาลแล้วความหมายนี้ พระอาจารย์ไทยเราเองเป็นภูแสดงขึ้นคู่กับความหมายว่าภูตื่นแล้วกล่าวรวมกันว่าภูตื่นภูเบิกบานแล้ว ในความหมายว่าผู้ตื่นได้แสดงอธิบายแล้วจึงจะมาอธิบายในความหมายว่าผู้เบิกบานคำนี้เป็นคำเหมาะอย่างยิ่งและก็มีความหมาย ที่ไปได้ที่ถูกต้องกับความหมายว่าผู้รู้แล้วหรือผู้ตรัสรู้แล้วเช่น <c oughs> เดียวกับคำว่าผู้ตื่น <c oughs> ก็หมายถึงตื่นด้วยความรู้นั่นเอง และคำว่าภูเบิกบานก็มีความหมายเช่นเดียวกันมาเบิกบานด้วยความรู้และยังมีความหมายถึงความบริสุทธิ์คือเบอิกบานด้วยความบริสุทธิ์ อีกด้วยฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจในคำนี้ให้ถูกต้องให้ดีจะเป็นประโยชน์มากในเบื้องต้น ก็จะต้องขอกล่าวว่าคำว่าผูเบิกบาล น, นี้เป็นคำนำมาช่ายจากความบานของดอกไม้ โดยเฉพาะก็คือความบานของดอกบัวอันเป็นดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงนำมาเปรียบเทียบกับ กำลังแห่งความรู้ของบุคคลดังที่ได้เคยแสดงแล้วว่าบุคคลทั้งหลายในโลกนี้บางคน หรือบางหมเป็นผู้รู้เร็วเพียงแต่ทรงยกหัวข้อขึ้นแสดง <c oughs> ก็อาจรู้ได้เหมือนดอกดอกบวัวเหมือนอย่างดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำต้องแสงอาทิตย์ ก็จะบานขึ้นทันทีดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นดอกบัวที่บานขึ้นด้วยตรองแสงอาทิตย์นั้นเป็นคำเทียบ กับบุคคลผู้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าได้ปัญญาคือความรู้ในธรรมที่ทรงแสดงนั้นดังที่มีแสดงว่าได้ธรรมาจากสุขคืนดวงตาเห็นธรรมจึงมีความหมายถึงปัญญา ที่รู้ ร, รมเทียบกับดอกบัวต้องสองต้องแสงอาทิตย์ก็บานขึ้นจิตที่ได้รับแสงธรรมได้ปัญญาในธรรม